สร้างรูหลาโออาถึงขนาดนี้เขาคงจะมีผู้ตําหนิเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราก็ประมวลมาเอามาทํากคิดว่าให้เหมาะสมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการก่อสร้างและ ว, ว่าการสร้างท้าวรวัตถุก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแล้วก็ทุนทรัพย์ผู้ที่ได้สเสียสละออกมาก็มากมาย จนในถึงขนาดนี้เพราะนั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังที่ได้รับความสะดวกสบายจากุทธุนทรัพย์จากกำลังจากแนวความคิดของท่านเหล่านั้นพวกเราที่เมื่อพวกท่านเหล่านั้นล่วงรับดับขันไปมีมากอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว ไม่รู้ว่าดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้นไปสิงจะติตยอยู่ณทินใดที่ใดทินใดอาจจะตกทุกข์ได้ยากอยู่ก็ได้แต่พวกเราที่อยู่เบื้องหลังไม่คิดถึงกันเลยน mm hmm. ะมก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นหลวงพ่อปีหนึ่งน่าจะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณของวัดแล้วก็ประมวลกันมาอย่างที่หลวงพ่อหลวงพ่อก็มีคุณพ่อคุณแม่มีพี่พี่น้องๆ้อง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 แต่วันนี้ก็เราออกไปตั้งแต่ฉันจังหารเสร็จก็เพิ่งกลับมาถึงไม่นานมานี้เองเอแล้วก็เราขึ้นมาสวดมนต์อีก <c oughs> อายุปูนหลวงพ่อเนี่ยคงไม่ไหวสะแล้วอายุเจ็ดสิบแล้วนะคะานธาญาติโยมลูกหลานจากนั้นก็คงจะให้หลวงพ่อคำสดหรือหลวงพ่อบุญีมรุหลวงพ่อเหลือทั้งสามสี่ท่านนี่แหละ เ, เมื่อจบลงไปแล้ว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 ยังมีชีวิตอยู่น่ะท่านให้เท่าให้เราเท่าไรในเมื่อท่านจากไปแล้วเราจะให้ท่านเท่าไร่แต่ก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนตัวเองนะถ้าให้น้อยเกินไปท่านก็แบ่งกันไม่คุ้มไม่ทั่วไม่ถึงเหมือนกันนะเะพราะนั้นเราต้องต้องทำบุญให้ใหญ่พอสมควรพอให้ท่านได้แบ่งกันให้ทั่วถึง เ, เหมือนกับเรานี่อเราไป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 เพราะนั้นหลวงพ่อเนี่มีแต่ให้การสนับสนุนท่านจะเอายังไงหลวงพ่อก็ได้ตามทางนั้นในการที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ข้อสาคัญให้เป็นรูปร่างให้เป็นที่พอใจสำหรับถูกต้องตามธรรนบขนบธรรมเนียมประเพณีและความต้องการที่หลวงตาเคยปลารบเอาไว้เนะพราะนั้นพวกเราเมื่อทางโน้นเขากำลังจะเริ่มเขมงเกี่ยวที่จะสร้างเจดีย์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 อันนี้พวกเราก็ต้องได้คิดเหมือนกันนะลูกหลานนะเอา้เอามันต้องคิดในเศรษฐศาสตร์ด้วยนี่ใช่ไหมละ่ะเอเราก็ต้องให้เออให้คุณพ่อร้อยหนึง่งให้คุณแม่ร้อยหนึง่งให้คนนั้นอีกเอคุณอาร้อยหนึง่งคุณ100น้าร้อยหนึง่งเฮอย่างนี้เรียกว่าคนละสิบบาทให้ยี่สิบบาทไปกินข้ยเตี๋คนละชามละชามก็ยังดีนะอ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 พวกเรากรมั่นใจว่าหลวงตาคือพระอรหันต์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคงเส้นคงวาเพราะนั้นดวงวิญ ญ, ญาณทุกดวงวิญญาณเอให้มีส่วนร่วมในการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาและก็พร้อมกันบนยอดพระเจดีย์พวกเราทุกเจดีย์ที่ผ่านผ่านมาเขาก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุคือพระธาตุของพระพุทธเจ้าและกพระธาตุของพระอรหันต์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 นํามาประพุทธปฏิบัติประปรุงกายวาจาใจของเราก็าจะเกิดประโยชน์นะนี่แหละอันนี้เลยคือเราคิดเรื่องสร้างพิพิธภัณฑ์คนะณะศรัทธา ญ, ญาติโยมโลูกหลานนี่แหละอันนี้ก็คือเราถึงจะมีมากมีน้อยเราก็เก็บพร้อมรอมริบเพื่อสร้างเจดีย์แต่เจดีย์ของ เ, ออเราที่หลวงพ่อรับไป50าล้านเมื่อก่อนหน้านี้ทุนกระหม่อมท่านเสด็จมาคุณปอกับคณะศรัทธา ญ, ญาติโยม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 เพอเผลอเขาซื้อราคาถูกเขายังกินอมเงินของเราไปอีกต่างหากในเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยไม่ยิ่งกว่านั้นไปเลยเพราะนั้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะทำอะไรเราทำเอาเต็มที่ทาตามอัธยาศัยเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็บอกเออเมื่อข้าตายไปแล้วทู่เจ้าไม่ต้องทาให้ข้าอีกนะข้าทำเอาเพียงพอแล้วละ่ะเนี่ยเงินอยู่ก้อนนี้นะมีเงินอยู่ตัวนี้บัญชีเท่านี้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 จิตเป็นจิตเป็นกลางที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปหลวงตาว่าอยาสวดให้เราะเออเราเอาเราปฏิบัติเอาพอแล้วเราเพียงพอแล้วไม่ต้องกุศลาให้เราหรอกเอแต่พวกท่านทั้งหลายนั่นนะผู้ที่มากุศลาให้เราน่ะมันถึงไหนล่ะมันโง่ถึงขนาดไหนชื่อฉลาดาแล้วจะมากุศลาให้เราได้ยังไงเราไม่เอาหรอกไม่ต้องกุศลาให้เราอันนี้หลวงตาท่านพูด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 ทำดีนั่นแหะใช่พูดดีนั่นแหะใช่มันหลายใช้เหลือเกินนะมันไม่ใช่แต่ว่าทำทานอย่างเดียวยังค่อยใช่ไม่ใช่นะทำทานานก็คือส่วนประกอบส่วนนึกถ้าพวกเราพระพุทธเจ้าว่าเราที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้พระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณด้วย <c oughs> ด้วยอนิสงทานของเรานะท่านยืนยันรับรับว่าเป็นอนิสงทาน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 ท่านหมอนะคนก็นล้มมาทั้งที่ตู้บริจาค ก, ก็มีนะเออลุมมาบริจาคเออเอามาเอามาบริจาคหลวงพ่อจะรับไปจะเอาใช้ในงานของท่านหมอทั้งหมดนะั่นลูกหลานเอามาเอาพอหลวงพ่อนั่งไม่ถึงชั่วโมงได้เงินต้องหกแสนกว่าได้เป็นเงินหกแสนกว่านะาน 6, านะลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมหนะลวงพ่อนั่งแป๊บเดียวนะนี่นะ่ะ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 ปล่อยออกไปกว้างเท่าไรเปิดเข้ามาน้ําไหลมายิ่งสะอาดไหลไปเรื่อยเอื่อยเอื่อยไเลยไม่มีหมดอันนี้สงทา น, น, นมันหมดไม่เป็นเนอกอันนี้หลวงตารับรองเลยนะหลงตาบอกว่าถ้าหาว่าใครก็ตามทําบุญทําทานตามหลักตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันหมดมันกิบหายบอกเราเราจะทืนคืนเงินให้อแต่ถ้าว่าทําแบบไม่คิดไม่อ่านเนี่ยไม่ว่าแล้ว มีอะไรกระทุ่มไปหมดเอแบบหลับหูหลับตาทำไม่คิดไปอ่านไม่เลือกไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําอันนั้นมันจิบหายได้นะพอเหตุไรเพราะว่าทําไปแล้วเนะ่ยเดือดร้อนเมื่อภายหลังเลยนะเพราะนั้นหลวงตาท่านท้าถึงขนาดนั้น่ะอข่าว่าทําบุญทำทานถูกต้องตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแลยนะไม่อดไม่หมดอันในสงหลังไหลามา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 แต่ว่าถึงยังไงก็าตามนะเมื่อเราสวดอมนมลสวดพระประลิษฐมงคลสวดพอพุทธมนต์เหนื่อยแล้วนะใครจะกลับบ้านอลงทานก๋วยเตี๋ยวเน่ะเตรียมเตี๋ยวไว้นะถ้าเผื่อจะกลับบ้านทํามันหิวก็ไปแวะกินก๋วยเตี๋ยก่อนก็ได้นะว่าังค่อยกลับบ้านกับเรือนตัวเองนะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นไปได้วันพรุ่งนี้ก็ข อ, ขอกลับมาอีกก็ได้